9กาการดับของธรรมะคือการดับของอัตตาและโลกการเกิดหรือการดับของธรรมะในปรมัมภธรรมนั้นหมายถึงการเกิดการดับของจิตเจตสิกรูปภาวะเกี่ยวกับจิตที่ถูกรู้จึงจะมีภาวะของนิพพานขึ้นมาได้หรืออย่างน้อยก็นิโรธ คือมีภาวะของการดับทุกข์ขาอริยสัจโดยผู้ปฏิบัติเห็นปัสติภาวะของเหตุกิเลสอกุศลและกิจบาปนั้นดับอยู่และภาวะที่ดับสิ้นไปจากอวิชชาของตนก็คืออัตตาและโลกนี้แหลมีใช่อื่นเลยที่เราหลงมันว่า เป็นธรรมะให้มันทรงอยู่ในตนเพราะเราได้ทาใจในใจมณะสิกโรติของเราอยู่และทำให้สมุทัยอารยสัตว์นั้นดับไปได้จริงจริงในขณะที่มีภาวะจริงปรากฏอยู่หลัดหลัดในปัจจุบันนั้นนั้นทีเดียว ภาวะจริงนี้ก็คือภาวะของอัตตาและโลกที่มีผู้รู้หรืออาจารย์บางพวกบางคนผิวเผยหลงผิดไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนเรื่องอัตตาเรื่องโลกเพราะไปเห็นคำตรัสบางช่วงบางตอนของพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธว่า ท่านยังไม่ทรงอธิบายหรือไม่พระจารย์กรก่อนในตอนนั้นท่านทรงสอนเรื่องอื่นอันควรสาคัญก่อนในกาล น, น้นๆแต่ผู้หลงผิดเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนเรื่องอัจจาเรื่องโลกหรือบางผู้บางคนบางอาจารย์นั้นหลงผิดจัดหนักไปเลยว่า อัตตาไม่มีในโลกเพราะอัตตาไม่ใช่อัตตาโดยไปยึดเอาคำสอนมายึดผิดๆสูตตรงไปเลยว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ยอมศึกษาว่าอัตตาคือตัวเองนี่แหละคืออัตตาตัวร้ายที่ก่อร้ายในโลกแท้จริงแล้วเรื่องอัตตานี้เอง ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นการค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ของโลกยิ่งใหญ่กว่าไอสไตล์ค้นพบพลังงานนิวเคลียร์หลายเท่านักคนเราทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจยิ่งใหญ่อธิปไตยในความเป็นอัตตาและในความเป็นโลกนี่เองแหละที่ต้องมีนิยายแสนสุขเหลือลน้น ทุกโทนสาหัสเหลือหลายหรือแสนร้ายสุดแสบแสนดีแบบวิเศษยิ่งที่มนุษย์ทั้งปวงในโลกเผชิญกันอยู่สุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยกันมีโทษมากมีโทษน้อยมีคุณมากมีคุณน้อยก็เพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตากับความเป็นโลกนี่แหละ